อยากคิดใจตรงนี้ตลอดไปไม่คิดไปไหนให้วุ่นใจเพราะอยู่ตรงนี้ในศูนย์กลางกายช่นงสุขสบายไม่มีที่ไหนเทียบได้เลยไม่วุดดาวดวงในสุดปลายฟ้า จะสุสกสกาวสักเท่าไรก็ไม่สุขใจเหมือนดาวภายในฉันอบอุ่นใจอบอุ่นใจเหลือเกินดาวดวงนี้นั้นคือพื้นไม่เป็นพื้นแท้เป็นพื้นคู่ใจตลอดเวลาตลอด ใจตรงนี้เรื่อยไปหากไปคิดจะแฉออกห่างไกลก็พบว่าดาวดวงนี้นั้นมีทุกสิ่งสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่ดี เพื่อนใหม่เป็นเพื่อนแทเป็นเพื่อนคู่ใจตลอดเ l ลลอดเวลเมื่อยุดใจตรงนี้เรื่อยไปหากมคิดจะแฉออกหา ใสสะอาดที่ทำให้ฉันฉลาดและอโอาจที่จะเดินทางไก ล, ไไลฉันรัเดาวดวงนี้ดาวที่ใสสะอาที่ทำให้ฉันฉลาด และองอาจที่จะเดินทางไก ล, ไลฉันรักดาวดวงนี้ดาวที่ใสสะอาดที่ทำให้ฉันชน า, ล า, าและองอาจที่จะเดินทางไก ล, ไลฉันรักดาว ฉันฉนลาและองอาที่จะเดินทางไกล